Thank uh you. -huh. การเข้าถึงสัจจะได้จิตต้องเป็นอิสระอย่างเต็มที่โดยไม่มีการบิดเบือนใดๆสัจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกบงการด้วยความเพลิดเพลินหรือความปวดร้าวหรือโดยสิ่งที่กำหนดให้คุณเป็นฮินดูหรือาศาสนาอื่นใดที่คุณสังกัดอยู่โดยการปฏิเสธสิ่งที่เป็นมายา สัจจะจึงจะดำรงอยู่สัจจะอยู่ในชีวิตเมื่อมีความเข้าใจในชีวิตก็จะเกิดความเข้าใจในสัจจะสัจจะคือแผ่นดินที่ปราศจากทางเดินและคุณไม่อาจเข้าสู่สัจจะจากขนทางใดจากาศาสนาใดหรือจากนิกายใดได้เลย สัจจะไม่เคยอยู่ในอดีตสัจจะในอดีตเป็นเพียงเท่าฐานของความทรงจําความทรงจําอยู่ในฝักฝ่ายของกาละและในเท่าฐานอันเย็นชื่นของอดีตเมื่อวานนี้ไม่มีสัจจะสัจจะเป็นสิ่งมีชีวิตชีวามิได้อยู่ในขอบเขตของกาละเมื่อมนุษย์เป็นอิสระ ไม่มีแรงกระตุน้นใดๆของความกลัวของความอิจฉาริษยาหรือความทุกโศกนับจากนี้เท่านั้นจิตจึงสงบและนิ่งลงตามธรรมชาติหลังจากนั้นจิตจะไม่เพียงเห็นสัจจะในชีวิตประจำวันจากขณะหนึ่งสู่อีกขณะหนึ่งเท่านั้นแต่จะพ้นไปจากความรับรู้ทั้งหมดและดังนี้เองจะมีการจบสิ้นลง ของผู้เฝ้าสังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกตและทวิภาวะจะหยุดลงสัจจะนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นอิสระแล้วจากความปวดร้าวความวิตกกังวลความก้าวร้าวความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งและการเห็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งความเชื่อ นำคุณเข้าสู่ความมืดเช่นเดียวกับความเสื่อมสายศรัทธาความเชื่อนําคุณให้ไปสู่โบสถ์สู่เทวาลัยอันมืดมัวและสู่ความรู้สึกเพลิดเพลินพอใจในพิธีกรรมต่างๆตลอดหนทางนี้ไม่มีสัจจะมีเพียงความฟุ้งฝันและสิ่งที่ตกแต่งขึ้นในจินตนาการซึ่งบรรจุเต็มโบสถ์นั้น ระเบียบวินัยต้องเป็นไปอย่างปราศจากการควบคุมปราศจากการยับยัง้งปราศจากความกลัวไม่ว่าในรูปแบบใดระเบียบวินัยเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ว่าจะมีระเบียบวินัยก่อนแล้วจึงจะตามมาด้วยอิสระภาพอิสระภาพอยู่ที่จุดตั้งต้นที่เดียวหาใช่ที่ผลลัพธ์สุดท้ายไหมการจะเข้าถึงอิสระภาพเช่นนี้ อิสระภาพที่ขึ้นผลจากการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนั่นเองคือวินยัยพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้นั่นเองคือวินยัยคุณไม่จําเป็นต้องตั้งระเบียบวินัยขึ้นมาเพื่อศึกษามันแต่พฤติกรรมแห่งการศึกษานั่นเองนํามาเองซึ่งระเบียบ ว, วินัยในตัวมันเองซึ่งไม่มีการสะกดกลั้น ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นจากภายนอกนั้นไม่ได้มีคุณค่าอะไรและไม่ใช่สิ่งนิรันดร์ด้วยแต่ด้วยความเข้าใจเท่านั้นคุณจึงจะมีวินัยในตนเองที่แท้ได้การมีวินัยในตนเองในความหมายของกฤษณามูรติไม่ใช่ระเบียบข้อบังคับที่หวางขึ้นด้วยความกลัวถูกลงโทษหรือด้วยความปรารถนาจะได้รางวัลเพราะหากไม่มีสิ่งนั้นๆแล้วคุณก็จะกลับไปสู่แนวทางเดิม อันง่เคลาอีกแต่การมีวินัยในตนเองที่แท้นั้นยิ่งใหญ่กว่าเข้มข้นกว่าทั้งนี้เพราะมันตัดลงไปที่รากของความเป็นฉันซึ่งฉันนี่เองเป็นตัวการสร้างเครื่องกีดกั้นนานาการมีวินัยในตนเองเป็นการตระหนักและความล้าเลิศของปัจเจกบุคคลก็มีอยู่ในกระบวนการนั้นด้วย วินัยขั้นสูงสุดมิใช่การถือตามมิใช่การลอกเลียนมิใช่การอยู่ในโอวาทแต่เป็นวินัยที่เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่เฉพาะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณในภายนอกแต่กับสิ่งที่อยู่ในภายในด้วยความเคร่งครัดเอาจริงเอาจังในการละตัวตนเป็นความงามปราศจากเสียซึ่งความเคร่งครัดเอาจริงเอาจังนี้แล้ว ความรักจะมีไม่ได้หากไม่มีการละตัวตนแล้วความงามจะไม่จริงแท้วินัยจริงหมายถึงการเรียนรู้และการเรียนรู้ปฏิเสธสิ่งที่มีอำนาจครอบงำและการเชื่อฟังทุกชนิดการเลี้ยงดูอบรมและระบบการศึกษาทุกวันนี้ทำให้เรากลัวที่จะแตกต่างจากเพื่อนบ้านของเรา กลัวที่จะคิดขัดแย้งกับระบบสังคมที่ตั้งขึ้นมาหลงเขารบในอำนาจและประเพณีที่ผิดผิดอันตรายอย่างหนึ่งของระเบียบ ว, วินัยก็คือระบบจะกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่ามนุษย์ที่ยึดถือมันอยู่ระเบียบ ว, วินัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เข้ามาแทนที่ความรักและการที่เรายึดติดอยู่กับระเบียบ ว, วินยัยก็เป็นเพราะจิตใจของเราว่างเปล่า ระเบียบวินัยเป็นวิธีที่ง่ายในการควบคุมเด็กแต่มันจะไม่ช่วยให้เข้าใจปัญหาต่างๆในการนำโรงชีวิตการบังคับบางอย่างระเบียบวินัยที่มีรางวัลและการลงโทษอาสาคัญต่อการรักษาระเบียบวินัยและก่อให้เกิดความเงียบในหมู่นักเรียนจานวนมากที่มารวมกันอยู่ในห้องเรียนแต่ถ้ามีผู้ให้การศึกษาที่ถูกต้องนักเรียนเพียงจานวนเล็กน้อยการระงับกดดัน ที่เราเรียกมันอย่างสุภาพว่าระเบียบวินัยจะเป็นสิ่งจำเป็นหรือ